วันนี้อาตมาภาพมาด้วยความเข้าใจว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งคือเข้าใจว่าชื่อเรื่องเป็นอย่างนั้นท้งนี้เพราะไม่ทราบชัดหรือจำไม่แม่นว่าตั้งชื่อว่าเรื่องอะไรเมื่อฟังท่านผู้ดำ เ, เนินการจึงทราบชัดว่าเป็นเรื่องชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็สัมพันธ์กันไปกันได้กับเรื่องการทำแท้งเพราะว่าในเรื่องการทำแท้งปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ว่า ชีวิตเริ่มต้นตรงจุดไหนและเป็นคนเมื่อไรนั่นเองจุดวินิจฉัยสำคัญจึงอยู่ที่นี่เท่าที่จำได้คุณหมอภูมาราเคยพป่ารบเรื่องนี้และคุณหมอการจนาก็อยากให้มาพูดเรื่องนี้ทีนี้ก็เลยมาพูดในงานของจุลมงมพูตธรรมข้ามนุษย์ตั้งแต่เมื่อใดถ้าจะพูดเรื่องธรรมแท้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 บอกไว้ว่าโยพิขุสันจิตะมนุสสวิหังชีวิตาโวโรเปติอนันมโสคภะปาตนังอุปาทายะอสัมนโนโหติอสักยะปุติโยมิพระใหม่ทุกองค์จะต้องได้ยินพระอุปชาหรือผู้ที่พระอุปชามอบหมายให้บอกแปลได้ความว่าภิกษุใดจงใจพรากมนุษย์จากชีวิตแม้แต่เพียงทำคันให้ตกไป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 ทีนี้เราก็มาย้อนหรือดูให้ลึกลงไปถึงพระวินัยในพระวินัยบทบัญญัติข้อนี้มีข้อความคล้ายกันเพราะว่าคำบอกอนุสาสนั้นท่านก็เกือบจะลอกมาจากพุทธบัญญัติที่ว่าด้วยปราชิกนั่นเองพุทธบัญญัตินั้นมีว่าโยปนภิกุสันจิตจะมนุสสาวิคหังชีวิตาโวโรเปยะลาจนถึงอยัมปิปราชิโกโหติ อสังวาโสแปลว่าภิกษุจงใจพราคมนุษย์จากชีวิตภิกษุนี้ปาราชิกไม่มีการอยู่ร่วมกับสงฆ์คือหมดสิทธิ์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นได้อีกต่อไปเป็นนั้นว่าแน่นอนแล้วและในคำบอกอนุศาสตร์ท่านก็ยังสรุปมาอีกให้รู้ว่าแม้แต่เพียงทำลายเด็กที่อยู่ในคันก็ไม่ได้ทีนี้ปัญหาก็ตามมาว่า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 มีการให้คำจำกัดความสำคัญทุกคำฉะนั้นในพระวินัยบัญญัติทุกบทจะต้องมีคำจำกัดความคำแต่ละคำมีคำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทนั้นๆเสร็จแล้วก็จะมีคำอธิบายต่อไปข้างล่างในข้อความว่าภิกษุได้พรากมนุษย์จากชีวิตก็มีคำอธิบายแต่ละคำคำว่าภิกษุ หมายถึงบุคคลมนุษย์หมายถึงพากจากชีวิตหมายถึงท่านอธิบายไว้ทุกคำนี้เป็นลักษณะของกฎหมายก็มีคำจำกัดความที่บอกว่าพากมนุษย์จากชีวิตนั้นภาษาพระใช้คำว่ามนุษสวิขหังเราแปลง่ายง่ายว่ามนุษย์ซึ่งท่านให้คำจำกัดความไว้ว่าที่ชื่อว่ามนุษย์นั้นคือยอย่างไร ท่านบอกว่าได้แก่จิตที่เป็นปฐมคือวิญญาณแรกซึ่งปรากฏในคันมารดาจนกระทั่งถึงมรณะในระหว่างนี้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สวิขหังเป็นนั้นว่าตามคำจำกัดความของมนุษย์สวิขหังท่านถือว่าเป็นชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เป็นจิตแรกในท้องของมารดาจนถึงตายทีนี้ก็มีปัญหาต่อไปว่าจิตแรก หรือวิญญาณอันเป็นปฐมหรือปฐมมจิตนั้นคือตอนไหนถึงตอนนี้อธิกถาก็อธิบายถ้อยคําและข้อความในพระไตรปิฎกบ้างท่านบอกว่าจิตที่เป็นปฐมนั้นได้แก่ปฏิสนธิจิตคือจิตที่ปฏิสนธิแล้วก็อธิบายต่อไปว่าที่ท่านแสดงไว้นี้หมายถึงปฏิสนธิของสัตว์ที่มีขันห้า ขันหได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตรแรกนี่ก็พร้อมด้วยอารูปประคันทั้งสคือเวทนาสัญญาและสังขารจุดนี้ก็ยังไม่สาคัญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาหมายเหตุผู้อ่านเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์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 นี่ละคำนี้ตัดสินเลยเป็นอันว่าท่านบอกไว้ครบแล้วทั้งด้านจิตใจและด้านร่างกายคือหนึ่งทั้งด้านจิตใจหรือนามธรรมได้แก่ปฐมจิตและรู ป, ประขันท์ทั้งสคือเวทนาสัญญาและสังขารที่เกิดร่วมกับปฐมจิตนั้นส่วนทางด้านร่างกายหรือรูปธรรมก็บอกว่าและกาลละรูปที่เกิดพร้อมด้วยปฐมจิต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 การยังลงแห่งคันหมายความว่ามีการเกิดขึ้นของสัตว์ที่เกิดในท้องมานดาดูพุทธพจน์นั้นต่อไปที่จบว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดมานดาบิดาร่วมกันหนึ่งมารดาอยู่ในฤดูคือช่วงเวลาไข่สุกหนึ่งและคันทัพภะเข้าไปตั้งอยู่แล้วหนึ่งเพราะประชุมองค์ประกอบสามประการอย่างนี้ก็มีการก้าวลงแห่งคัน พุทธพจน์จากมัชิมนิกายมูลปัญ น, นาตพระไตรปิฎกเล่มส2บสองนี่ก็หมายความว่าองค์ประกอบฝ่ายมารดากับพิดามาประจวบ ก, กันหนึ่งแล้วมารดาก็อยู่ในระยะที่มีไข่สุกหนึ่งอีกทั้งคันทัพพะก็เข้าไปตั้งอยู่หนึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดชีวิตทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าคันทัพพะคืออะไร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 แต่เราอย่าไปหลงกับศัพท์นั้นเพราะศัพท์ต่างๆมีความหมายได้หลายนัยยะไม่ใช่ว่าสัพท์เดียวจะมีความหมายได้อย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในภาษาทั้งหลายอย่างในภาษาไทยของเรานี้คําว่าชายอาจหมายถึงคนผู้ชายก็ได้หมายถึงริมเช่นอย่างชายผ้าก็ได้หมายถึงคล้อยไปเช่นตะ ว, วันชายบ่ายคล้อยก็มีสําหรับคันทัพผานิ้ท่านก็อธิบายต่อไป แต่คำอธิบายนี้ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกให้แต่ตัวสารไว้คำอธิบายมาในอัธกถาท่านบอกว่าขันท พ, พะคือสัตว์ที่เข้าไปที่นั้นท่านใช้คำสั้นนิดเดียวว่าตัตตรูปาคัสโตสัตว์ผู้เข้าไปที่นั้นและอธิบายต่อไปอีกเป็นคำอธิบายของอัธกถ า, าและทั้งดีกาด้วยมีสาระสาคัญว่า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 คือภาพตัวแทนของสิ่งที่ตนได้กระทำ ม, มาผ่านไปแล้วก็มีคตินิมิตคือภาพของภพที่ตนจะไปเกิดปรากฏให้เห็นคตินิมิตที่ปรากฏนี้ก็เป็นไปตามกรรมที่เป็นตัวนำให้ไปเกิดกรรมนั้นแสดงออกโดยมีคตินิมิตเป็นเครื่องหมายและกรรมก็เป็นตัวชักภาไปวิญญาณเก่าดับไปวิญญาณใหม่เกิดขึ้น สืบต่อการรมที่สะสมไว้และวิญ ญ, ญาณ น, นั้นชื่อว่าเป็นคันธพพะฉะนั้นคำว่าคันธพะตามมาติของอัถกถาก็หมายถึงตัวสัตว์ผู้ไปเกิดเป็นสพท์ที่เรียกคลุมๆเพราะถ้าจะเรียกเป็นจิตเป็นวิญญาณก็จะเป็นการพูดสา์ลึกแบบอภิธรรมมากไปจึงพูดเป็นตัวสัตว์หยาบๆไปเลยหมายถึงผู้ที่จะไปเกิด ท่านแสดงไว้ในความหมายว่าอย่างนั้นพระอาจารย์ที่อธิบายท่านเรียกว่าอุปัชนากษสัตโตแปลว่าสัตว์ผู้เกิดขึ้นผู้เกิดหรือผู้ถือกำเนิดเป็นอันว่ามติของคำภีทั้งหลายแสดงไว้ชัดแล้วว่าท่านมุ่งเหาแค่ไหนคันทัพภาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการเกิดของคนก็หมายถึงคนที่จะมาเกิด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 ทีนี้ก็ไปดูไฟล์ากรารละละอีกทีหนึ่งเป็นการดูในไฟล์รูปธรรมในเรื่องนี้ก็มีพระสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ตรัสว่าด้วยลำดับของชีวิตในคันมานดาซึ่งเราไปพบคำบาลีเป็นคาถาว่าปัทมังการลังโหติกลราโหติอพุธังอพุทธาชายเตเปสิเปสินิพัตตีขโนคนาภสษาขาชายันติเกสาโลมานคาปิจจาจากสังยุตติไยสขทวัก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 กาละละเป็นศัพท์เฉพาะซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตและท่านใช้คำเรียกว่าอย่างนั้นก็เพราะมีลักษณะเป็นเมือกหรือเหมือนอย่างน้ำคโคลนเละเลคือเป็นคำเรียกตามลาักษณะแต่ในกรณีนี้ท่านหมายถึงเป็นเมือกใสไม่ใช่ค้นอย่างคโคลนตมกาละละนี้ท่านบอกว่าเป็นหยาดน้ำใสเป็นหยดที่เล็กเหลือเกินเล็กจนกระทั่งในสมัยนั้น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 แล้วต่อจากกาละละนี้ไปในสัปดาห์ที่สองก็เป็นอะพุทธะอะพุทธะนี้ควรจะเรียกได้ว่าเป็นเมือกละคือเป็นน้ำค้นหรือเมือกคนต่อจากนั้นในสัปดาห์ที่สามก็จะเป็นเปสิคือเป็นชิ้นเนื้อแล้วต่อจากนั้นในสัปดาห์ที่สี่ก็จะเป็นก้อนเรียกว่าคณะต่อจากนั้นในสัปดาห์ที่ห้า ก็จะเหมือนกับมีส่วนงอกออกมาเป็นปุ่มห้าปุ่มเรียกว่าปัญจสาขานี่เป็นสัปดาห์ที่ห้าแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผมมีขนมีเล็บกันต่อไปที่ว่ามันนี้ก็เป็นการพูดถึงลำดับของการเกิดเป็นนันว่าขั้นแรกที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกนี่เป็นหยาด น, น้ำใสหรือเมือกใสที่เรียกว่ากาลละ ซึ่งเล็กอย่างเหลือกเกินอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งก็รับกันกับที่พูดมาในตอนต้นบรรจบกับที่ท่านถือว่าในขณะเป็นชีวิตฝ่ายรูปธปรรมที่เป็นจุดเล็กที่สุดอันนี้มีจิตแล้วจิตดวงแรกหรือจิตอันเป็นปฐมนี้เป็นมาพร้อมกันกับรูปธรรมที่เป็นกาลละซึ่งเป็นจุดเล็กในสัปดาห์แรกนี้เลยก็เป็นอันว่าแ้าอย่างนี้ก็จบ หมายความว่าในทางคำภีนิชัดเจนมากว่าชีวิตตั้งต้นเมื่อไหร่ก็ถือว่าเริ่มต้นที่องสามประการบรรจบกันนั่นแหละองสามประการที่ว่าฝ่ายมารดากับฝ่ายบิดาบรรจบกันแล้วก็มารดาอยู่ในช่วงเวลาไข่สุกพร้อมทั้งมีขันทภะซึ่งท่านอธิบายว่าสัตว์ผู้มาเกิดนั่นก็ชัดไปทีหนึ่งแล้วยิ่งกว่านั้น อย่างอธิบายอีกว่าเป็นปฐมจิตซึ่งจิตแรกซึ่งเกิดพร้อมกันกับกาะลาะะรูปที่เป็นหยาดน้ำใสซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่หนึ่งในชีวิตช่วงแรกที่สุดนี่ก็เท่ากับย้ำซ้ำแน่นหนักลงไปอีกอัตมาจึงบอกว่าถ้าพูดเรื่องการทำแท้งก็ชัดเจนเท่านี้ก็หมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอีกเป็นนั้นว่าถ้าถามว่าชีวิตตั้งต้นเมื่อไหร่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 ก็มีพุทธโพธิ์แสดงลำดับความเจริญของชีวิตในคันที่เรียกว่ากาลละอภูธาเปสิคณะและปัญจสาขาหลักทั้งสามนี้ก็มาโยงย้ำกันทำให้ได้ข้ อ, อยุติในเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ท่านถือว่ามีการเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเรื่องการเกิดสำหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นสัตว์ที่ท่านเรียกว่าประกอบด้วยขันหเรียกเป็นศรรพัพเฉพาะว่า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 หรือกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยจากการกระทำของตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้มาลงโทษหรือให้รงหางวัลใครฉะ น, นั้นในกฎเกณฑ์แห่งจริยธรรมแบบนี้การได้รับผลของการกระทำทางจริยธรรมจึงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เป็นไปของมันเองเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปรอการลงโทษหรือรอการให้รางวัลว่า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 เพราะว่าเมื่อจริยธรรมเป็นเรื่องของความเป็นไปตามหลักความจริงอย่างนี้แล้วการกระทาก็เกิดผลตามหลักความจริงนั้นและการได้รับผลต่างๆก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในจริยธรรมแบบนี้ก็จะมีการปฏิบัติสองตอนคือ 1. การรู้ความจริงของธรรมชาติ2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 วินัยพระเอาอย่างนี้สังคมชาวบ้านจะเอาอย่างไรทีนี้ในฝ่ายของพระนั้นท่านว่าของท่านเวชัดแล้วตามหลักที่ว่ามาอย่างนี้และท่านยังมีคำแนะนำในเชิงปฏิบัติการกํากับไว้ด้วยว่าเวลาจะติความวินัยให้ถือหลักข้างเร่งไว้ก่อนคือถ้ามีกรณีที่เป็นปัญหาซึ่งเป็นธรรมดาว่า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 เพงสังเกตว่าในศีน่าไม่มีการแบ่งแยกท่านจัดเป็นปนานปฏิบาติอย่างเดียวหมดแต่ผู้ศึกษาก็รู้ได้ว่าฆ่าสัตว์ชนิดไหนตัวใดมีโทษมากหรือโทษน้อยแกนวินิจฉัยว่าฆ่าสัตว์ชนิดไหนต้นใดมีโทษมากหรือน้อยดูได้จากคําอธิบายช่วงสุดท้ายของปัักขาธรรมนี้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 จะเอาอย่างไรก็ให้รู้หลักไว้ก่อนทีนี้หันกลับไปพูดถึงตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งระหว่างสิทธิของลูกกับสิทธิของแม่ต่อไปอีกแม่ก็ว่านี่เป็นลูกของฉันอยู่ในท้องของฉันฉันเป็นเจ้าของฉันจะทําอย่างไรก็เป็นเรื่องของฉันแต่เด็กไม่มีโอกาสพูดและก็ยังพูดไม่ได้ถ้าเขาพูดได้ เขาก็คงบอกว่าเอ๊ะนี่ชีวิตของฉันใครจะมาล่วงละเมิดไม่ได้จะบอกว่าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดก็คล้คลายๆจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าปรมมาติมาตาปิตโรมานดาบิดาเป็นธรมของบุตรศาสนาพราหมณ์ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์ แต่พระพุทธเจ้ายกฐานะของพรมนี้มาให้แก่บิดามารดาเพราะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการให้กำเนิดเป็นการยกให้ในเชิงภาษาเทียบเคียงเพื่อสนับสนุนคุณค่าทางจริยธรรมไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้ให้ชีวิตอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตในตอนอธิบายท่านก็ให้ความหมายว่าเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้แสดงโลกแก่บุตร ถ้าไม่มีพ่อแม่ลูกก็ไม่ได้เห็นโลกอันนี้ก็เป็นอุปการะในฐานะผู้มีพระคุณและท่านก็เพิ่มความหมายเชิงจริยธรรมเข้าไปอีกว่าที่ว่าเป็นพระพรมก็เหมือนพรมที่มีสีหน้าหน้าทั้งสี่ได้แก่บทบาทสี่อย่างของพ่อแม่ที่เป็นไปตามคุณธรรมสีประการคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาถ้าพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมสีประการนี้ ความเป็นพ่อแม่ก็ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นพระพรหมโดยสมบูรณ์พ่อแม่จึงต้องมีคุณธรรมด้วยการที่ท่านยกพ่อแม่ให้เป็นพรหมก็อาศัยหลักความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างพ่อแม่กับลูกแล้วชี้บ่งไปยังจริยธรรมเพื่อจะให้ทำหน้าที่ของบิดามารดาที่ดีแต่ตัวชีวิตที่แท้จริงก็เป็นชีวิตของเด็กเองนั่นแหละจะถือว่าเป็นสิทธิของพ่อแม่ได้อย่างไร พ่อแม่เป็นทะเพียงผู้ให้กำเนิดและคำว่าให้กำเนิดในที่นี้ก็หมายความว่าช่วยให้เขาได้เกิดแต่รอยอมรับว่าสัตว์ที่เกิดนั้นเป็นสัตว์มีจิตของเขาและเป็นผู้ที่มาเกิดจากภพอื่นด้วยเขาจึงเป็นเจ้าของชีวิตของเขาเองนี่ก็เป็นเรื่องราวแง่ต่างๆที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปเอาเป็นว่าในขั้นที่หนึ่ง พุทธศาสนามีหลักการว่าอย่างนี้หนึ่งในแง่ของหลักความจริงพุทธศาสนามองความจริงว่าอย่างนี้อย่างนี้ชีวิตเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ในทางนามธรรมเริ่มแต่มีปฐมจิตคือปฏิสนธิวิญญาณในทางรูปธรรมเริ่มแต่เป็นกาะละลรูปสอง ในแง่ของกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนจริยธรรมว่าสำหรับพระภิกษุถ้าทําลายชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เป็นกาลละรูปเป็นต้นไปมีความผิดร้ายแรงถึงขั้นขาดจากความเป็นพระภิกษุเป็นอันว่าได้สองแง่อย่างที่หนึ่งในแง่ความจริงของธรรมชาติอย่างที่สองในแง่กติกาของสังคมซึ่งในกรณีนี้ ก็ต้องพิจารณาว่าเราจะเอาอย่างไรสําหรับสังคมมนุษย์ในส่วนของชาวบ้านที่ไม่ใช่พระภิกษุแต่มีหลักยืนตัวอยู่ว่าเมื่อทำอะไรก็ต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่ทำนั้นถ้าอะไรเป็นบาปเป็นโทษก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไม่ใช่ไปหลอกตัวเองไม่ใช่เอาความปรารถนาของตัวเป็นตัวกาหนดต้องแยกส่วนแยกตอนให้ถูก ในเรื่องจริยธรรมนี้คนทั่วไปมักจะยุ่งและสับสนกันเพราะจริยธรรมบางประเภทเป็นจริยธรรมแบบเทวบัญชาคือเป็นคำสั่งมาจากสวรรค์อะไรจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะสั่งว่าอย่างไรการกระทำใดจะเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดก็อยู่ที่ว่าท่านจะบัญญัติให้เป็นอย่างไรแต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าอะไรจะเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่ตัวความจริงต่างหากตัวความจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันไม่ขึ้นต่อคำสั่งบังคับของใครเมื่อความจริงนั้นเป็นอย่างไรเราก็มาพูดกันถึงตัวความจริงนั้นขั้นหนึ่งก่อนต่อจากนั้นก็มาตกลงกันว่าสําหรับการกระทาของมนุษย์เราจะเอาอยัางไรโดยอิงอาศัยความจริงนั้นในการตัดสินใจแล้วก็รับผิดชอบต่อความจริงนั้น ถ้ามันเป็นโทษเป็นความผิดก็ต้องยอมรับทีนี้ข้อพิจารณาต่อไปซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับประกอบการตัดสินใจในขั้นกระทาการก็คือหลักวินิจฉัยความจริงที่ว่าการกระทาใดมีโทษมากหรือโทษน้อยบาปมากหรือบาปน้อยเช่นการฆ่าสัตว์เป็นคาพูดกลางๆมีความหมายรวมถึงการฆ่ามนุษย์ด้วย แล้วก็มีข้อพิจารณาต่อไปว่าฆ่าสัตว์ใดและอย่างไรมีโทษมากหรือโทษน้อยท่านมีหลักให้พิจารณาโดยแยกออกไปว่าหนึ่งดูที่ตัวสัตว์นั่นเองว่ามีคุณมากหรือคุณน้อยมีโทษมากหรือโทษน้อยถ้าสัตว์นั้นมีคุณความดีมากเช่นบิดามารดาเมื่อฆ่าก็เป็นบาปมากมีโทษมาก ผู้ใดมีคุณประโยชน์ต่อสังคมมากมีคุณธรรมมากเราไปฆ่าก็เป็นบาปมากถ้าฆ่ามนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพในการทำความดีมากก็เป็นบาปมากกว่าฆ่าสัตว์ดิรัชานซึ่งเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพในการทำความดีงามได้น้อยระหว่างสัตว์ดิรัชานด้วยกันถ้าเป็นสัตว์ที่มีคุณน้อยหรือเป็นสัตว์ที่มีโทษการฆ่าก็เป็นบาปน้อย แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็คือการทำลายชีวิตทั้งนั้นอันนี้ต้องยอมรับความจริงเป็นการยอมรับขั้นหนึ่งว่ามีการฆ่าแต่แยกได้ในแง่ที่ว่ามันเป็นบาปมากหรือบาปน้อย 2. ดูที่เจตนาของผู้กระทำว่าทำด้วยเจตนาหรือความรู้สึกอย่างไร ถ้าทำด้วยกิเลสแรงมีความรู้สึกเกลียดชังเครียดแค้นมุ่งร้ายมุ่งจะทำลายหั่นแกล้งรังแกขมเหงเบียดเบียนอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปมากมีโทษมากแต่ถ้ามีเจตนาไม่รุนแรงหรือมีเจตนาในทางที่ดีก็มีโทษน้อยเช่นในกรณีบางคนที่ป้องกันตัวเป็นต้นซึ่งไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายทาลายใคร ไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่จะเบียดเบียนคนอื่น 3. ดูที่ความเพียรพยายามถ้ามีการตรเตรียมการมีการวางแผนอย่างเอาจริงเอาจั ง, จงทำด้วยความพยายามหมายมั่นอย่างรุนแรงจองล้างจองผลานเต็มที่ไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกราก็บาปมากแต่ถ้าทำด้วยอารมณ์วูบ แม้จะมีกิเลสเช่นโกรธรุนแรงก็บาปเบาวกว่านอกจากนี้ในกรณีของสเดียร์ฉานโดยทั่วไปยังบาปน้อยบาปมากต่างกันตามขนาดร่างกายของสัตว์นั้นๆด้วยเพราะค่าสัตว์ใหญ่การลงมือหรือการกระทำก็ใหญ่แรงกระทบต่อจิตก็มากค่าสัตว์เล็กการลงมือหรือการกระทาก็เล็กน้อย แรงกระทบต่อจิตหรือความไหวของจิตก็น้อยนี่เป็นหลักการตามธรรมชาติซึ่งเป็นตัวอย่างของเกณฑ์ที่จะใช้ในการวินิจฉัยตกลงว่าหลักใหญ่ก็มีหนึ่งความจริง 2. การตัดสินใจทำพูดอีกอย่างหนึ่งว่าหนึ่ง ความจริงที่พึงรู้สองกรรมหรือกิจที่พึงตัดสินใจกระทํา2 อ, อย่างนี้สัมพันธ์กันเพราะข้อสองต้องอาศัยข้อหนึ่งต่อไปนี้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 ึงเป็นคำที่ครอบคลุมพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคันทภะเป็นคำพูดตามสำนวนพระสูตรที่ใช้คำพูดตามภาษาสามัญเรียกคนทั้งตัวแทนที่จะพูดถึงจิตที่เป็นสภาวะแบบอริธรรมถามปฏิสนที่วิญญาณมีเป็นคำภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษบางทีใช้คำว่า linking consciousness อันนี้ยังไม่ถึงกับเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป linking ก็คือเข้าไปเชื่อมใหม่แปลตรงตามภาษาบาลีทีเดียวเลยคือภาษาบาลีสนที่แปลว่าต่อปฏิแปลว่าใหม่หรืออีกครั้งหนึ่งหมายความว่าท่านถือเป็นเรื่องของการเกิดดับของจิตที่เป็นไปอยู่เรื่อยๆตามธรรมดา จะมีพิเศษก็เพียงว่าตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับพบใหม่แต่ความจริงจิตก็เกิดดับตลอดเวลาเป็นเรื่องธรรมดาคือตัวศัพท์ไม่มีคำว่าเกิดปลาตรงตามศัพ์ก็แค่ว่าเชื่อมใหม่ภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า Relinking เลยแปลว่าร n k i n g Consciousness แต่หนังสือบางเล่มก็ใช้คำง่าย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 เหมือนคำว่าเกิดใหม่ในภาษาอังกฤษสำหรับพวกฮินดูที่ถือว่ามีโซเขาใช้คำว่า reincarnation แต่ในทางพุทธศาสนาคำนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เราใช้คำว่า rebirth และถือว่าการเกิดใหม่เป็นปรากฏการณ์ในกระแสของการเกิดดับตลอดเวลา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 ซึ่งเจะรวมเป็นนิวเคลียสเดียวในเวลา22ถึง24ี่ชั่วโมงและจะแบ่งเป็นสองสี่แปดสิบหกสิสองเซลล์ต่อไปในเวลาห้าถึง6วันถ้าเป็นในธรรมชาติจะมีการเคลื่อนตัวของตัวอ่อนนี้มาที่มดลูกและมีการฝังตัวที่ผนังมดลูกในวันที่เจ็ดอยากจะถามว่าตอนไหนที่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตคือช่วงส8ดชั่วโมงเมื่อเซลล์ของพ่อและแม่รวมกัน หรือตอน22ถึง24ชั่วโมงเมื่อนิวเคลียสจากเซลล์ของพ่อและแม่รวมกันเป็นวันเซลล์ไซโกดตอนนี้หรือเปล่าที่ปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาร่วมด้วยจุดนี้ท่านพูดไว้เพียงเท่าที่อัตมาเอามาเล่าข้างต้นนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาวิพากวิจารกันอัตมาไม่ใช่ผู้ตัดสินแน่นอนเราเอาหลักมาพูดกันว่าประมมจิตนั้น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 เพราะท่านให้หลักไว้เป็นกลางๆคือบอกว่าองค์ประกอบสามอย่างประชุมพร้อมมารดาอยู่ในฤดูฝ่ายมารดากับฝ่ายบิดาบรรจบกันแล้วก็มีคันทพะเข้าไปตั้งหมายความว่าคันทพะก็อาศัยการบรรจบกันขององค์ประกอบฝ่ายมารดากับฝ่ายบิดานั่นแหละจึงเข้าไปตั้งเข้าไปอยู่เมื่อมองดูตามตัวอักษรล้วน ก็มีแต่ว่าองค์ฝ่ายบิดากับองค์ฝ่ายมารดาผนวกกันองค์สองนั้นผนวกกันเมื่อไรขันทพา ก, ก็เข้าไปตั้งไม่น่าจะต้องรอการไปฝังตัวที่ผนังมุดลูกถามในกรณีที่เราใช้ไข่ประมาณย0สบฟอง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 ธรรมานิยามกฎทั่วไปแห่งเหตุและผลทีนี้เราก็มาดูในด้านที่หนึ่งว่าถ้าอุตุคืคอสภาพแวดล้อมไม่อำนวยก็เกิดไม่ได้สภาพแวดล้อมตรงเอื้อด้วยเช่นอุณหภูมิเป็นต้นถ้าข้อนี้ไม่ได้ก็เกิดไม่ได้ต่อไปในด้านพิชานิยามคือฝ่ายพืช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 แต่ถ้าตายเมื่อถึงเวลาอันควรหรือเพราะสิ้นบุญท่านเรียกว่ากาเล่ามรณะถามถ้านำเอาเชื้อของบิดาและไข่ของมารดาไปใส่ในมดลูกของผู้หญิงอื่นใครเป็นแม่กันแน่เหมือนเด็กในหลอดแก้ว อันนี้ก็ชัดอยู่แล้วคือตัวมารดาอยู่ที่ไข่เป็นเจ้าของไข่ตัวบิดาอยู่ที่สเปิรม์มเป็นเจ้าของเชื้อก็ชัดอยู่แล้วเป็นฝ่ายพีชานิยามคนอื่นเป็นเพียงที่อาศัยเป็นฝ่ายอุตุนิยามเท่านั้นเองแม่ที่ให้อาศัยนั้นเป็นฝ่ายอุตุนิยามอันนี้เราดูจากเรื่องนิยามได้ชัดดูว่าเป็นฝ่ายอุตุนิยาม ผีชานิยามจิตตานิยามหรือกรรมมะนิยามกรณีนี้ก็เหมือนเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยงคนนั้นก็เป็นแม่แต่เป็นแม่เลี้ยงแม่จริงก็คือเจ้าของไข่ถามการคุมกนเนิดในปัจจุบันมีหลายวิธีมีทั้งยากินยาฉีด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 ก็ถือว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้นแล้วการขัดขวางไม่ให้ที่อาศัยก็เป็นการไปพากหรือทำลายปจัจจัยฝ่ายอุตุนิยามทั้งที่ปัจจัยฝ่ายพีชานิยามและฝ่ายจิตตานิยามก็พร้อมแล้วเมื่อไม่ยอมให้มีปจัจจัยฝ่ายอุตุนิยามมาช่วยก็เลยทำให้ชีวิตสืบต่อไม่ได้ถ้าทำให้ชีวิตนั้นสืบต่อไปไม่ได้ด้วยเจตนาก็ย่อมเป็นปานาิบาต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 เราก็ต้องไม่มองข้ามเหมือนกันถ้าเราไปตัดปล่อยวางใจซื่อว่าเราพ้นแล้วก็จะไม่เอาใจใส่แล้วเราก็จะไม่พัฒนาตัวเองต่อไปแต่ถ้าเราเผื่อใจไว้สำรวจมองดูว่าเราอาจจะยังมีความประมาทอยู่บ้างในกรณีนั้นๆเราอาจจะยังมีข้อบุพร่องตามภาษาปุถุชนแล้วเราตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็เกิดเจตนาที่เป็นกุศล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 ถ้าเราตั้งใจทำความดีไม่มีเจตนาทำกรรมชั่วไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายใครในระดับทั่วทั่วไปก็ควรพอใจไปขั้นหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราพอใจเสร็จไปเสเลยเอาแค่นั้นก็จะทำให้ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไปกลายเป็นความประมาทอย่างหนึ่งดังนั้นในการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วการปฏิบัติที่ถูกต้อง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 เป็นทางเสื่อมของมวลมนุษย์ต่อไปฉะนั้นท่านให่ยอมรับความจริงซะก่อนทีนี้เราก็มาตัดสินใจในแง่ของการกระทาแล้วก็ยอมรับผิดชอบต่อการกระทำของเราด้วยแต่เรามีเหตุผลในการทำอย่างดีที่สุดของเราแล้วเมื่อเราตัดสินใจด้วยความมีเหตุผลอย่างดีที่สุดเราก็จะมีความอุ่นใจของเราพร้อมทั้งเผื่อใจไว้สาหรับการที่จะทาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก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 ถ้าทำด้วยความรู้สึกที่รับผิดชอบก็เป็นเจตนาที่ดีงามอยู่ในตัวหลักวินิจฉัยแม้แต่แค่สองอย่างนี้ก็ช่วยได้มากแล้วคือสัต์นั้นมีคุณมากหรือมีโทษมากหรือว่ามีคุณมากหรือมีคุณน้อยแล้วก็เจตนาเป็นอย่างไรเจตนาดีหรือเจตนาร้ายเจตนาแรงหรือเจตนาเบา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 และสืบต่อไปในสังคมมนุษย์ถามการทำแท้งอาจตัดสินใจทำด้วยเหตุผลต่างๆบางทีก็ไม่ใช่ทำเพื่อแม่แต่เห็นว่าในรายนั้นถ้าเด็กเกิดมาจะพิการหลายท่านก็เห็นว่าควรทำแท้งเสีย เป็นการช่วยเด็กไม่ให้ต้องมีชีวิตที่ทนทุกทรมานกรณีอย่างนี้บางทีตัดสินใจยากจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไรเรื่องนี้คงไม่มีคำตอบที่เด็ดขาดลงไปแง่เดียวตอนแรกเรายอมรับความจริงก่อนแล้วว่าการกระทำนี้เป็นปาณาติบาตแต่การตัดสินใจในแต่ละกรณีอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และคาดหมายผลยากมากจึงเป็นเรื่องที่ยากจริงๆอย่างไรก็ตามตอนแรกนี้ก็คงพูดเป็นแนวทางได้ว่าเรื่องนี้จะต้องมองให้ว้างมองให้ไกลและมองหลายแงยม่มุมที่จะพูดต่อไปนี้คงเป็นเพียงแง่คิดสำหรับประกอบการตัดสินใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นการตัดสินใจโดยตรงเวลาเราพิจารณาที่จะตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เรามักให้เหตุผลที่แสดงว่า เรามีความปรารถนาดีทั้งต่อตัวเด็กและแก่สังคมเช่นเราพูดว่าเราตัดสินใจทำลายเด็กเสีย 1. เพื่อประโยชน์แก่ตัวเด็กเองจะไม่ต้องมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานไปอีกยาวนาน 2. เพื่อประโยชน์แก่สังคมเด็กจะได้ไม่ต้องเป็นภาระแก่สังคมที่จะต้องคอยโอบอุ้มหรือเป็นเครื่องถ่วงสังคม เหตุผลนี้มองดูก็เป็นความจริงที่เห็นได้ชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการมองด้านเดียวจัดแง่มุมของเราโดยเอาตัวเราเป็นเกณฑ์วัดทีนี้ลองมองในแง่มุมอื่นเพื่อเป็นแง่คิดอีกด้านหนึ่งที่จะช่วยให้การมองทั่วรอบครอบทุกด้านหรือหลายด้านมากขึ้นมองในแง่ของเด็กหรือตัวผู้ถูกกระทา ม, มีหลักธรรมดาว่า สัตว์ทุกตนรักชีวิตและรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าเป็นไปได้ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์มีร่างกายที่สมประกอบแต่เมื่อไม่ได้อย่างนั้นแม้จะเป็นคนพิกลพิการจะโดยกำเนิดหรือด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจะเกิดแล้วก็ตามจะเห็นว่าคนตาบอดหูหนวกมือเท้ากุดขาลีบอย่างไรก็ตามก็ล้วนอยากมีชีวิตอยู่กันทั้งนั้นน้อยนักที่อยากตายคนที่อยากตาย โดยมากเกิดจากปัญหาจิตใจมากกว่าดังจะเห็นว่าคนที่ฆ่าตัวตายส่วนมากเป็นคนที่มีร่างกายครบถ้วนเป็นปกติแต่จิตใจตกอยู่ในสภาวะวิปริตแปรปรวนผิดหวังเห็นชีวิตไม่มีความหมายคนที่พิการทางกายยังคิดหวังอยากมีชีวิตอยู่แต่คนที่ร่างกายดีจำนวนไม่น้อยกลับมีจิตใจพิการสิ้นหวังและอยากตาย ทีนี้มองในแง่สังคมบ้างเรามักคิดเพียงว่าคนที่ร่างกายพิกลพิการจะช่วยตัวเองไม่ได้หรือทำอะไรได้น้อยเป็นพารากแก่คนอื่นเป็นเครื่องทวงสังคมเช่นเงินทองที่จะเอาไปใช้พัฒนาประเทศก็ต้องเอามาใช้ดูแลคนเหล่านี้แต่ความจริงก็ปรากฏให้เห็นว่าคนพิการมีศักยภาพที่พัฒนาให้กลายเป็นผู้สามารถสร้างสารรค์ได้ในสังคมที่ฉลาด รู้จักให้โอกาสและสนับสนุนก็ปรากฏว่าคนพิการสามารถฝึกฝนพัฒนาตนให้ช่วยตัวเองได้และทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้โดยเฉพาะคนที่พิการด้านหนึ่งอาจจะมีศักยภาพที่พัฒนาได้ดีพิเศษอีกด้านหนึ่งซึ่งทำให้คนพิการที่รู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองสามารถทำอะไรบางอย่างได้เก่งกว่าคนปกติทั่วไปบางทีถ้าสังคมรู้จักสนับสนุน อาจฝึกกลุ่มคนพิการที่ทำงานพิเศษบางอย่างแก่สังคมที่คนปกติทำไม่ค่อยได้เป็นกลุ่มผู้ชำนาญพิเศษด้านหนึ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นคือคนพิการไม่สมประกอบอาจจะเป็นภาระทวงสังคมบ้างแต่โดยทั่วไปจะไม่เป็นภัยอันตรายต่อสังคมในทางตรงข้ามคนที่ร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีนี่หละจานวนมาก เป็นคนพิการทางจิตใจและคนพิการทางจิตเหล่านี้แหละที่ก่อปัญหาเป็นภัยอันตรายทำความเดือดร้อนและความเสื่อมแก่สังคมเป็นอย่างยิ่งสังคมน่าจะให้ความสนใจแก่ปัญหาคนพิการทางจิตใจนี้ให้มากเพราะมีจำนวนมากและเป็นภัยอย่างยิ่งสังคมที่พินาศไปแล้วและจะพินาศต่อไปไม่ใช่เป็นเพราะคนพิการทางกาย แต่เป็นเพราะคนที่พิการทางจิตบางทีบางคนก็รู้สึกเกลากักขวางหูขวางตาหรือไม่สบายตาเมื่อเห็นคนร่างกายไม่สมประกอบและไม่อยากให้สังคมมีภาพที่ไม่น่าดูอย่างนั้นเราอยากให้สังคมมีแต่คนที่มีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เลยเห็นด้วยกับการปฏิบัติของสังคมบางทินในอดีตถ้ามีคนร่างกายไม่ปกติก็เก็บเอาไปกาจัดให้หมด อาตมาเมื่อเป็นเด็กก็เคยนึกชอบใจวิธีการแบบนั้นแต่แล้วเราก็นึกไกลต่อไปอีกว่าคนแก่คนเท่าก็ไม่สมประกอบและไม่น่าดูเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บเอาคนแก่คนเท่าไปเป็นปุ๋ยเส้ให้หมดด้วยเสร็จ แ, แล้วก็นึกไกลต่อไปอีกว่าคนที่รูปร่างไม่สวยไม่งามหน้าตาขี้เรก็น่าจะเก็บเอาไปให้หมดเช่นเดียวกัน สังคมจะได้มีแต่ภาพที่สวยงามจากนั้นก็นึกไกลต่อไปอีกว่าควรจะต้องคัดเอาไว้เฉพาะคนที่สมบูรณ์แข็งแรงสวยงามถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้เท่านั้นความคิดนี้ก็เลยไม่สิ้นสุดและสังคมก็คงย่อยยับไปซะก่อนเวลานี้มีวิชาพันธุวิศวกรรมหรือ Genetic Engineering ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้บางคนบางกลุ่ม ก็คิดจะสร้างมนุษย์พันธุ์พิเศษชนิดซูเปอร์แมนขึ้นมาต่อไปข้างหน้าพวกซูเปอร์แมนก็คงต้องจัดการเก็บมนุษย์ธรรมดาให้หมดและหลังจากนั้นก็คงจะมีการแยกกันอีกเป็นซูเปอร์แมนเกรดหนึ่งซูเปอร์แมนเกรด2และก็คงต้องจัดการเก็บกันต่อไปเรื่อยๆทีนี้มองอีกด้านหนึ่งต่อไปวิทยาการต่างๆจเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกวงการแพทย์คงจะทาอะไรได้อีกมากมาย ที่ยังทำไม่ได้ในปัจจุบันแล้ววิทยาการสมัยนี้ก็จเจริญเร็วมากด้วยบางทีอีกไม่ช้าการแพทย์ก็อาจจะช่วยแก้ไขบาบัดความพิกพิการที่เกิดขึ้นจากกำเน่อที่บกพร่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นแต่อันนี้เป็นเพียงข้อที่น่าจะคำํำนึงถึงในเวลาตัดสินใจไม่ถึงกับเป็นเหตุผลที่ว่ามานี้ไม่ใช่จะให้ถือเป็นหลัก แต่เป็นเพียงการเสนอตัวอย่างแง่มุมอย่างอื่นที่อาจจะคิดไปได้เพื่อให้การมองปัญหาและการแก้ปัญหามีลักษณะกว้างไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้นเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เราประสบนั้นถ้ามองแง่ลบก็เห็นด้านลบมากขึ้นมากขึ้นถ้ามองแง่บวกก็เห็นด้านบวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงควรมองให้ครบทั้งลบและบวกข้อสําคัญที่ขอย้ําก็คือ การตัดสินใจและการปฏิบัติดีเรื่องนี้ไม่ควรให้มีลักษณะที่เป็นการปิดทางการพัฒนาตนของบุคคลและการพัฒนาสังคมของมนุษย์เช่นเมื่อต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรมีการยอมรับขีดจำกัดแห่งความสามารถของตนหรือของสังคมในขณะนั้นด้วยว่าเท่าที่ฉั้นรู้ได้ทำได้ขณะนี้ภายในสภาพสังคมที่จะเอื้ออานวยได้นี้ เราจำเป็นต้องทำได้อย่างดีที่สุดเท่านี้แล้วเราจะศึกษาหาทางที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกอย่าตั้งความรู้สึกหรือบอกแก่ผู้อื่นว่าอันนั้นเป็นการตัดสินใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วถาม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 ทำปานาติบาตไปแล้วเราจะสามารถขออโหสิกรรมจากวิญญาณ น, นั้นๆได้หรือไม่หรือต้องรับกรรมแต่อย่างเดียววิญญาณที่ตายนั้นจะรับรู้ได้หรือไม่ว่าเราขออโหสิกรรมความจริงมันไม่ได้แยกกันระหว่างเรื่องโลกเรื่องธรรมมันเรื่องเดียวกันแต่แยกในเรื่องความจริงต่างหากคือแยกในแง่ของความจริงและข้อเท็จจริง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 เริ่มต้นก็อย่างที่พูดมาแล้วคือยอมรับความจริงว่าเออสิ่งที่เราทําไปแล้วเป็นอกุศลยอมรับเสีก่อนแล้วก็ตั้งใจตั้งเจตนาว่าต่อไปเราจะแก้ไขและจะไม่ทํามันอีกแต่จะทําความดีเพราะตั้งใจอย่างนี้กุศลก็เกิดขึ้นแล้วและต่อจากนั้นเราต้องทําฝ่ายกุศลให้มากให้มีกาลังมากกว่าอากุศล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 ถามคำว่าอาโหสิกรรมคือกรรมที่ไม่ให้ผลอันนี้มีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่โดยมากเราเอาคำว่าอาโหสิกรรมมาใช้ในความหมายที่เป็นการอาภัยกันมากกว่าเป็นการใช้ศัพท์ผิดคล้ายๆว่าเราถือเอาความหมายของคำว่าอาโหสิกรรมในแง่ที่ว่าเป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อไปและเอาในยะง่นี้ มาใช้ให้หมายถึงการที่ไม่มีการผูกเวรกันต่อไปความจริงใช้กันผิดอโหสิกรรมที่จริงเป็นเรื่องของกรรมที่เป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์อโหสิกรรมเป็นคําในยุคอัตถกถาที่สืบออกมาจากความในคมภีปฏิสัมพิธามคในพระไตรปิฎกในความหมายที่แท้ของท่านว่า ได้แก่กรรมที่ไม่แสดงผลออกมาคือมีตกรรมวิบากไม่มีเนื่องจากไม่ได้ให้โอกาสที่จะให้ผลภายในเวลาที่จะออกผลได้เมื่อผ่านล่วงเวลานั้นไปแล้วก็ไม่ให้ผลอีกต่อไปถ้าโย้กลับไปหาคําตอบก่อนนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเราทำกุศลที่มีกําลังแรงมากๆจนมีต่กุศลเท่านั้นให้ผลอกุศลลกรรมบางอย่าง ที่ไม่มีโอกาสให้ผลก็จะหมดโอกาสแสดงผลและกลายเป็นอโหาสิกรรมไปตกลงว่ามีความหมายที่ไปกันได้ถามคนที่เกิดขึ้นในโลกมากขึ้นทุกปีทุกปีอยากทราบว่าวิญญาณมาจากไหน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 ถ้าใช้ศัพท์เทียบเคียงก็อาจจะเรียกว่าสกยภาพทีนี้ในเรื่องกิเลสของมนุษย์มันมีตัวมูลอยู่ตัวมูลก็คือโลภะโทสะโมหะแล้วสืบสาวลงไปอีกก็มีอวิชชาภายในอวิชชานี่ก็มีสกยภาพให้กิเลสทั้งหลายปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆ จะถือว่าเป็นการสัดงตัวของอวิชาก็ได้แล้วมันก็มีเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นไปได้มากมายเหลือเกินไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่ว่ากิเลสพันหหมายความว่ากิเลสมากมายเหลือเกินพูดเท่าไรก็ไม่ครบเลยใช้คาว่ากิเลสพันหแต่จะไปหาตัวจริงให้ครบก็ไม่เครพบรายชื่อเต็มสักทีมีแต่ในคำภีชั้นหลัง ที่ตั้งเกณฑ์คำนวณไว้อัตมาเคยค้นอรถกถาดูว่ากิเลสพันหมีบัญชีไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ครบท่านยกตัวอย่างมาสามสี่้อยตัวเท่านั้นเองคำภีชั้นหลังจึงมาแจกแจงให้เต็มเอาตามหลักถือว่ามันเป็นรูปร่างหรืออาการแสดงออกต่างๆของสภาพอันเดียวกันคือสภาพจิตที่มีอวิชชา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 เป็นความทยานอยากที่ประกอบด้วยภาวะทิฐิหรือสัสตาทิฐิความอยากดำรงอยู่อาจแปลว่า need for survival หรือบางท่านแปลว่า life wish เมื่อดิ้นรนไปอย่างนั้นและมีอวิชชาอยู่เป็นพื้นมนุษย์ออกไปสัมพันธ์กระทบกับประสบการณ์และสถานการณ์ต่างๆความต้องการอยู่รอดบนพื้นฐานของอวิชชานั้น ก็จะแสดงตัวออกมาเป็นกิเลสในรูปต่างซึ่งมนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องปกป้องตัวเองให้อยู่รอดในการปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีปัญญาที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยความรู้โดยตรงเราจึงพูดได้ว่ากิเลสเหล่านั้นเป็นสภาวะที่เป็นศักยภาพของจิต อ, อย่างนั้นซึ่งเกิดขึ้นปรากฏได้ตลอดเวลาและถ้าใครไปสั่งสมอย่างไหนขึ้น ก็จะกลายเป็นลักษณะเด่นออกมาในทางนั้นเรียกว่าเป็นการสั่งสมของกิเลสแต่ตัวจริงก็อยู่ที่ตัวมูลของมันซึ่งเป็นแหล่งของศักยภาพอย่างไรก็ตามกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับจิตมันไม่ใช่เป็นเนื้อตัวของจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเราสามารถชำระ จ, จิตไม่ให้มีกิเลสได้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 ถามมีผู้ร่วม ง, งานคนหนึ่งสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและเชื่อยึดมั่นในคำสั่งสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งว่าให้พระพุทธีปฏิปฏบัติชอบในชาตินี้ยอมได้รับผลในชาตินี้เองไม่ต้องมุ่งหวังในชาติหน้าพบหน้าเขาเชื่อว่าไม่มีชาติหน้าพบหน้าเป็นความเห็นถูกต้องหรือไม่อย่างไรในทนะที่เราเป็นกัลยาณมิตรของเขาเราควรวางตัวอย่างไร การพูดเรื่องชาตินี้ถ้ามองในแง่เป็นจุดเน้นก็ใช้ได้แต่ถ้าจะเอาไปปิดกั้นปฏิเสธชาติหน้าเสียเลยก็เลยเถิดไปเป็นจุดที่ต้องระวังคือในแง่จุดเน้นนั้นจริงเพราะชาติหน้าเรามองไม่เห็นและที่สําคัญก็คือว่าตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยชาติหน้าเป็นฝ่ายผลที่สืบเนื่องจากปัจจุบันเพราะฉะนั้นตามหลักเหตุปัจจัยนี้ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเหตุเมื่อเราทำปัจจุบันนี้เป็นเหตุให้ดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงผลซึ่งเป็นอนาคตเพราะเรามั่นใจในความจริงข้อนี้ว่าผลเกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การทำความดีซึ่งเป็นเหตุในปัจจุบนันจุดเน้นจึงอยู่ที่ปัจจุบนันเมื่อทำเหตุปัจจุบันดีแล้วผลอน า, นาคต ก็ย่อมจะดีการกระทาอย่างนี้นอกจากเป็นการปฏิบัติตามหลักความจริงของกฎธรรมดาหิงเหตุปัจจัยแล้วเราก็เกิดความมั่นใจตามหลักเหตุปัจจัยนั้นด้วยว่าเรื่องพบหน้าเราไม่ต้องห่วงอย่างนี้ถูกเหมือนอย่างพุทธภาษิตจากสังยุตตานิกายสขาทวัชพระไตรปิฎกเล่มสิหที่ว่าธรเมธิโตปะโล ก, กังนะภาเย แปล ว, ว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปอดโลกนี่เป็นภาษิตบทหนึ่งที่บอกให้มั่นใจว่าเมื่อเราทำเหตุดีในชาตินี้แล้วจะต้องหวาดกลัวอะไรกับชาติหน้าเล่าแม้ในการละมะสสตรก็บอกทํานองนี้ว่าคนที่ทำดีในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็มีความมั่นใจได้ว่าฉันไม่กลัวชาติหน้าหรอกชาติหน้ามีหรือไม่มี ฉันไม่ต้องวันเพราะฉันทำความดีจนมั่นใจตนเองแล้วถ้าชาติหน้ามีฉันก็ไปดีแน่แต่ทีนี้การที่จะเลยไปถึงจุดที่ปฏิเสธชาติหน้าเสียเลยก็ล้ำเส้นเกินไปวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับปุถุชนซึ่งยังไม่รู้แจ้งโลกและชีวิตเมื่อจะต้องพูดถึงชาติหน้าในแง่ว่ามีจริงหรือไม่มีจะออกมาในทานองว่า เรื่องชาติหน้านั้นฉันยังไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีแต่ฉันก็รู้วิธีที่จะไม่ต้องวันกลัวชาติหน้าเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเพราะเหตุที่ฉันไม่รู้นี่แหละฉันจึงต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการทำดีไว้เมื่อทำความดีแล้วชาตินี้ก็สบายใจชาติหน้าก็มั่นใจไม่ต้องวันต้องกลัวฉะ น, นั้นคนที่ทาดีในปัจจุบัน จึงได้ผลทั้งสองอย่างคือในปัจจุบันก็ดีสบายไปข้างหน้าก็มั่นใจไม่ต้องกลัวด้วยก็หมดปัญหาแต่เราไม่ต้องปฏิเสธชาติหน้าเพราะเรายังไม่รู้ถามคำว่าอาจินไตหมายถึงอะไรมีกี่อย่าง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 จะมีการสิ้นสุดหรือไม่มีขอบเขตถึงไหนเรื่องนี้นักปรัชญาทั้งหลายชอบคิดแต่ให้คิดไปเถอะก็คล้องอยู่นั่นจะคิดให้ออกก็ไม่ออกหรอกถามผมเป็นกุมารแพทย์เมื่อสอาเดือนก่อนมีคนไข้อายุ16ปีเท่านั้น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 รอบครัวจึงสมศรีนันทนาสิริวัดพิรพัฒนอุตรสเรติกุลปฤติมาแย้มชูนาวาอากาศโธสมมาตรคันธนูเวราภรจตนินปัญญาโกจันพลพรอภิวัฒนาเสวีรัตนนพุ่มพวงปริยพันธ์ภูพันลำไผคข้ามชูไผลินดอกไม้ชนะไผ่จันทร์ดำร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตไทยเรื่องชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่ง ให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกันสัพพธทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านรอดพ้นจากภัยอันต ร, รายทั้งปวงและเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลอยิ่งขึ้นไปนะครับ